ใายคุณอมราส่งกันบ้านไหมใช่ส่งหไหม่ปไหนทำผู้อาวอาุสโสก่อนกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะได้เห็นความหลงบ่อยมากทุกครั้งที่หลงจะมีความรอบค่วงเข้ามาด้วยบ้าง มีความโกรธความไม่พอใจพ่วงขึ้นมาด้วยบ้างแล้วแต่ขณะค่ะเวลาเรารู้ความหลงหรือเรารู้สภาวะใดๆก็ตามนะรู้แล้วไม่ทำอะไรต่ออย่างเราเห็นใจไหลไปเงี้ยพอเรารู้ว่าไหลเนี่ยอย่าไปดึงนะใจเนี่ยไม่ขยับเลยรู้แล้วจบลงที่รู้จริงๆนะมันจะถอดถอนตัวเองมันจะเปลี่ยนภพของมันเองจะเกิดสภาวะ แห่งความรู้ความตื่นจิตมันจะร่อนออกจากขันเลยถ้าเราไปดึงคืนสักนิดเดียวหรือใจเราขยับสักนิดเดียวมันจะสร้างภพอันใหม่จิตจะเข้าไปเกาะใหม่นี่พพมันมีหลายระดับมีภพหยาบภพบละเอียดอย่างความยินดีพอใจในความสุขในความสงบเป็นภพที่ละเอียดเราก็ต้องค่อยรู้ไปเบื้องหลังของปัญหาทั้งหมดเลยก็คือ ความยึดมั่นในจิตเหล่านี้เองมันยึดว่าจิตเป็นตัวเราเป็นของเรายึดเอาไว้พอยึดเอาไว้มันอยากให้ดีอยากให้สุขอยากให้สงบมันก็ทํางานมันจะไปสร้างภพเพราะฉะนั้นปัญหาความทยานอยากของจิตที่จะสร้างภพนั้นจะมีอยู่ตลอดระบใดที่อวิชายัางไม่โดนทํำลายไปเมื่อเราเรียนนี่นเราค่อยเรียนรู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจรู้ลงไปเรื่อยๆ เราไม่ไปหยุดไปแช่ไปนิ่งอยู่ในภพอันใดหนึ่งจะมาไปสุรินทร์ไปบุรีรัมย์ไปสุรินทร์มาทีศก่อนไปทำวัดอุปชาอาจารย์มีพระองค์หนึ่งพระพระองค์นี้จิตท่านเหมือนไม่ก่อไม่เกี่ยวอะไรที่จริงการปฏิบัตินะเราต้องทําต้นทางเราไม่ได้ทําปลายทางทําปลายทางคือเราไปส่งจิตไปดู พระพระอรหันต์แต่ละองค์แต่และองค์จิตใจเป็นยังไงแล้วก็ไปเรียนแบบใจก็จะว่างๆคือเป็นเป็นภพที่สร้างขึ้นมาอีกพบของความว่างการปฏิบัติให้ทําต้นทางคือให้รู้กายให้รู้ใจรู้กายรู้ใจแจม่มแจ้งเข้าปล่อยวางกายปล่อยวางใจแล้วมันว่างของมันเองคราวนี้ความว่างนี้เสถียรความว่างที่จงใจไปทําขึ้นมาเนี่ยไม่คงที่ไม่เสถียรเดี๋ยวก็เสื่อม นการภาวนาไม่มีอะไรเกินกว่าการคอยรู้กายรู้ใจของเราไปเรื่อยโดยเฉพาะถ้าเรารู้เข้าถึงใจได้เราจะเห็นว่าใจแอบสร้างพบสร้างชาติตลอดเวลาใจทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดเลยเวลาเห็นแล้วใช่ไหมได้เห็นภาระของจิตใจเดี๋ยวก็นึกเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้มีแต่ภาระนะมีแต่ภาระมีแต่ภาระเรารู้ไปเรื่อยเลยนี่ตรงที่เราไปรู้แล้วเนี่ยเราไม่ปะครอง เราไม่ประคองเลยรู้แล้วจบลงที่รู้ให้ได้เลยนะ <S <S แ, แล้วก็จะผ่านพบอันนี้ไปได้นะอ่ะคนอื่นคนอื่นใครจะคุยเชิญเอาอ่อยอ้อยน่นน้นคุณแม่ส่ง ม, มาไหมกราบนมาสการ์หลวงพ่อเจ้าค่ะคราวที่แล้วที่มากราบหลวงพ่อก็ทักบอกว่าไม่เครียดเกินไป เราก็ได้รู้สึกตัวขึ้นมาเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเครียดแต่ก็ไม่รู้ตัวว่าเครียดเกินไปแล้วก็ใจเนี่ยก็จะส่งออกนอกอยู่ตลอดเวลาอยู่เรื่อยๆอยู่ที่อเมริกาก็ใจอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่เมืองไทยก็ใจอยู่ที่อเมริกาก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันที่นี้พอได้รู้สึกตัวขึ้นมาว่าใจเรานี่ส่งออกนอกอยู่เรื่อยก็เริ่มเห็น ว่าเออใจนี่รับรู้อารมณ์อยู่เรื่อยๆช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาจะสังเกตเห็นว่าได้รู้สึกความไม่พอใจได้รู้สึกว่าเออจะสังเกตได้ง่ายกว่าความรู้สึกที่มันหลงไป <c oughs> บางทีก่อนจะเข้านอนเนี่ยก็มีงงๆขำตัวเองเหมือนกันว่าเออใจเรานี่อยู่ในอารมณ์โกรธใจเราอยู่ในอารมณ์ที่ไม่พอใจอยู่เรื่อยๆ เป็นอารมณ์ที่เรารู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊ะสงสัยเราคงเป็นคนขี้โกรธมั้งเนี่ยมันได้รู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆทีนี้เนี่ยนอกจากรู้ว่าเออเรามีอารมณ์ที่ไม่พอใจอยู่สิ่งหนึ่งที่ได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยพอเรารู้ว่าอารมณ์เกิดมันเกิดขึ้นเนี่ยมันได้รู้สภาวะอีกอย่างหนึง่งคือมันมีความพอใจที่แฝงอยู่ในอารมณ์ที่รู้ว่าเรารู้ว่าเราไม่พอใจอ <c oughs> ดีลวเรารู้ลงปัจจุบันนะ รู้โลกปัจจุบันเรื่ยจิตใจนี่มันจะผลิตความรู้สึกขึ้นมาตลอดเวลาให้เราตามดูไปไม่ใช่ดูเพื่อเอาดีหรือเพื่อเอาสภาวะอันใดอันหนึ่งแต่ดูเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราหรอกมันทำงานของมันเองนีละพันตรีใช้ได้ดีดีกว่าครับก่อนเยอะเลยครับก่อนเมาหมัดเ <c oughs> มาหมัดอันนี้รู้สึกเลนะรู้สึกตรงที่เราเห็นจิตออกนอกัอนดีละ ทันทีที่เห็นจิตออกนอกนะอย่าม้วนจิตเข้าข้างในจิตส่งนอกก็ใช้ไม่ได้จิตส่งในก็ใช้ไม่ได้แล้วก็อย่าประคองไว้ตรงกลางด้วยเจ้าค่ะรู้สึกไหมประคองไม่ส่งนอกนะไม่ส่งในไม่ประคองไว้ตรงกลางแล้วให้ทําอะไรไม่ให้ทําอะไรเลยให้รู้รูปเดียวหลวงพ่อสมัยภาวนาใหม่ๆก็เคยทําผิดเหมือนกันไม่ส่งนอกนะแต่ส่งใน ไปหาหลวงปูดุลทีแรกมาคะปี 2-5 ท่านบอกให้ดูจิตตัวเองแล้วไปอ่านคำสอนท่านบ้างอะไรบ้างนะบอกไม่ให้ออกนอกแล้วก็เข้าในเสร็จแล้ววันวิสาขะไปหาท่านอีกนะท่านก็บอกว่าเราเป็นหลงนะเป็นลงอาการของมันไม่ใช่รู้นะไม่รู้ก็ฝึกไปเรื่อยเรื่อนวันหนึ่งไปเจอหลวงปู่สิม หลวงปู่สินท่านบอกผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่นอกๆ น, นี่เรานึกว่าเข้าในแล้วดีเพาได้ยินว่าห้ามออกนอกเราก็เลยเข้าในบอกให้ออกมาอยู่นอกๆ น, กนี่แล้วก็กลับไปบอกหลวงปู่เทศนะว่าหลวงปู่สินบอกให้มาอยู่นอกๆห <c oughs> ลวงปู่เทศท่านบอกว่าท่านหมายถึงให้อยู่เป็นกลางๆไม่หลงเข้าข้างในไม่ได้ไปข้างนอกเป็นกลางๆเอาประคองอีกนะ ประคองไว้ตรงกลางอีกเนื้อหาเรื่องทำจนได้กว่าจะเข้าใจว่าการปฏิบัติจริงๆนะันคือการรู้ไม่ใช่การทำใช้เวลาใช้เวลาค่อยๆเรียนไปจนภาวนาเป็นแล้วนะบางครั้งก็ยังหลงไปทำอีกมันจะอดไม่ได้นะอดไม่ได้จนมาบวชอยู่สวนโพพรรษาแรกนะยังทำอยู่เลยมันอดไม่ได้มันกลัวไม่ดีทำไมมันกลัวไม่ดีมันรักตัวเอง เราไม่เห็นนะเบื้องหลังมันคือรักตัวเองแล้วก็รู้อย่างเดียวว่างานเราไม่เสร็จงานเราไม่เสร็จทำไปเรื่อยนะหาทางเมื่อไรจะพนทุกข์เมื่อไรจาพ้นทุกข์วันหนึ่งไปเห็นเข้าเราทำอะไรไม่ได้มันจเจริญแล้วก็เสื่อมจเจริญแล้วก็เสื่อมอยู่เอาช่างมันเถอะมันได้แค่นี้ก็แค่นี้เนา ะ, ะไม่ดิ้นเลยไม่ดิ้นต่อแล้วใจจะมองมองรู้ว่ามองไม่ดิ้นต่อว่าทายังไงจะหาอีกละ เราไม่หวั่นไหวกับความเสื่อมนะเราจะพ้นจากความเสื่อมจําไว้นะถ้าเรายังหวั่นไหวกับความเจริญและความเสื่อมความเจริญและความเสื่อมก็จะเวียนมาให้ดูเรื่อยๆถ้าเราหมดความหวั่นไหวต่อความเจริญและความเสื่อมเข้าถึงความเป็นกลางที่แท้จริงเคําว่าเสื่อมจะไม่มีอีกแล้วค่อยหัดไปนะหัดไปแล้วน้องสาวไปไหนกลับไปแล้วเจ้าค่ะอะไร แล้วพี่สาวอยู่เลยป่าหรือ MM ต้องกลับไปเลี้ยงน้องเดียเดี๋ยว <c oughs> จะต้องกลับไปวันศุกร์นี้แล้วเจ้าค<ะ>่ะดีแล้วอย่าลืมตรงนี้แหละแต่ตรงนี้ก็ยังเกินนะเกิน <c oughs> จริงอยู่รู้สึกไหมรู้สึกเจ้าค่ะยังไม่ใช่ของแท้เรารู้ไปยังแต่งอยู่เราแต่งให้สว่างขึ้นนิดนึงให้ให้นิ่งๆขึน้นนิดนึงให้สบายสบายให้โปร่งๆอแต่งให้โปร่งๆยังแต่งอยู่นะโปร่งๆเนี้ยอ่เบอร์ยี กราบนมันส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะคือวันนี้ตัวตัวดิฉันนะคะได้ขออนุญาตหลวงพ่อก่อนนะคะคือทําไปแล้วเอาหนังสือปรฏิบส่องทำเนี่ยให้หลานชายอ่านนะะ่ยนะคะแล้วก็หลานชายอ่านแล้วก็มาเล่าให้ป้าฟังแต่ว่าเลยชวนเขามาพบหลวงพ่อเองอะคะ่ะเขาเข่าไม่ไดีเบอร์เบอร์สี่สิบหกอะค่ ะ, คะหลวงพ่อเจ้าค่ะไหนนะักสนั่งบนเก้าอี้เจ้าค่ะ ได้ฟังซีดีของพ่อบาอ้างยังเดีลองฟังนะลองฟังฟังเยอะๆหน่อย ก, การมนุษการครับก็ป้าให้หนังสือไปก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เคยไปฟังทำรรธรรมะอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือให้เหมือนกับระลึกรู้สึกใจอะไรเงี้ยฮะแล้วคราวนี้เนี่ยแต่เราก็คือคําสอนที่ท่านที่ท่า น, ท, ท, านที่ท่านได้บอกมาเนี่ยก็คือเราก็ปฏิบัติแต่ว่าปฏิบัติไปตามความรู้สึกของตัวเองครับ ก็คือเหมือนกับพยายามไปไปจ้องไปเพ่งเอาไว้เนี่ยฮะ hmm. แล้วก็เราก็รู้สึกว่าตรงนั้นเนี่ยคือเรารู้สึกละพอดีเนี่ยคุณป้าได้เอาหนังสือมาให้อ่านพออ่านไประดับหนึ่งเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าที่เราทํามาเนี่ยมั น, ม, นมันผิดมันผิดเพราะว่าเราไปเหมือนกับมีความยากอื hmm. ที่จะไปคอยดูอย่างเนี้ยฮะ hmm. เราเลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราแค่รู้เฉยๆแค่รู้เฉยๆแต่มันก็ยังมันก็ยังติดเอาไอ้ที่เราแบบอย่างที่ท่านบอกก็คือพยายามจะประคองเอาไว้พยายามระลึกระลึกเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแต่บางทีก็มีความสงสัยครับว่าบางทีเรารู้สึกเนี่ยเราเราเป็นคนรู้สึกหรือเปล่าแล้วก็ที่เรารู้สึกตรงนี้เนี่ยคือรู้สึกบุ๊ปนึงแล้วก็ หายไปอืเราก็ต้องทําแบบอยากให้หลวงพ่อชี้แนะนิดนึงอะรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยๆนะครับดูใจของเราแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละขณะไม่เคยเหมือนกันดูความเปลี่ยนแปลงของเขาไปเรื่อยๆไม่ได้ไปตรึงให้อยู่กับอันใดอันหนึ่งไม่ได้อยากได้อันใดอันหนึ่งเช่นไม่ได้อยากได้ความสุขความสงบความดีไม่ได้ปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเช่นความทุกข์ความฟุ้งซ่านความเลวอะไรเงี้ยไม่ได้ปฏิเสธ ให้เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้ใจรู้รู้แล้วถ้ามันเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันลงไปในที่สุดเราจะรู้สภาวะทุกสิ่ง ท, งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามานะรู้อย่างเป็นกลางพอเรารู้อย่างเป็นกลางแล้วทุกอย่างก็จะแสดงความจริงให้ดูเขาผ่านมาแล้วเขาก็ผ่านไปไม่มีคนไม่มีสัตว์อะไรของคุณเริ่มเห็นอย่างความโกรธไม่ใช่คนหรอกความโกรธไม่ใช่ตัวเราด้วยดูออกไหม ค่อยหัดดูนะความรู้สึกแต่ละอย่างความสุขความทุกข์ความสงบความฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหูอะไรเงี้ยไม่ใช่คนหรอกไม่ใช่เราด้วยเป็นความรู้สึกที่แปลกปลอมเข้ามาให้จิตมันไปรู้เข้านั้นเราหัดรู้กายหัดรู้ใจหัดรู้ความรู้สึกทั้งหลายขึ้นมาเพื่อจะได้เห็นความจริงนะว่ามันไม่มีเราในสิ่งทั้งหลายนั้น หัดดูไปเรื่อยวันหนึ่งใจยอมรับว่าตัวเราไม่มีได้พระโสดาบันต้องใจมันยอมรับจริงๆอย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดทราบไหมใจมันไปคิดเนี่ยใจบังคับไว้ละกดละรู้สึกไหมสิ่งที่ผิดมี2 อ, อันนะหลักๆเหลอไปลืมตัวเองไปแอบไปคิดกับกดเอาไว้ถ้าคุณเรียนสภาวะสองอันนี้แล้วค่อยตามดูไปเรื่อยอย่าไปหาตรงที่ถูก ว่าที่ถูกอยู่ตรงไหนห้ามห า, ท, าทันทีที่คิดจะหาเนี่ยจิตเกิดโลภะเรียบร้อยแล้วงั้นไม่ต้องไปหาสิ่งที่ถูกให้รู้สิ่งที่ผิดไปเช่นใจลอยอย่างเมื่อกี้ลอยไปแวบหนึ่งรู้สึกไหมแต่มันไหลไปแวบหนึ่งให้เรารู้ทันมันจะรู้สึกตัวขึ้นได้ขณะหนึ่งเดี๋ยวก็ลอยอีกแวบหนึ่งรู้สึกใหม่ก็รู้สึกขึ้นได้อีกขณะหนึ่งความรู้สึกตัวก็จะเกิดสลับกับความหลงไปเรื่อย que. ถึงจุดหนึ่งเราก็จะเห็นเลยทั้งความรู้สึกตัวทั้งความหลงเนี่ยล้วนแต่ไม่เชี่ยงทั้งคู่เลยแล้วเราไม่ยึดทั้งคู่นะไม่ใช่จะเอาความรู้สึกตัวเกลียดความหลงเนี่ยใจไปคิดละทราบไหมไหลไหลแล้วก็หลุดแว บ, บไปเฉยๆดูไปเรื่อยๆนะแต่อย่าจ้องไว้ก่อนจำไว้นะอย่าไปจ้องไว้ก่อนให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาถ้าจ้องไว้ก่อนจะเป็นอย่างเนี้ยจะแข็งๆเพราะฉนั้นอย่าจ้องไว้ก่อนดีนะอ่านหนังสือแล้ว รู้สึกขึ้นมาได้มีไม่มากส่วนมากฟังซีดีแล้วรู้สึกห <c oughs> นังสือเปนอ่านยากอ่ะให้ใครบ้างนวัส ก, การหลวงพ่อค่ะพอดีเคยอ่านหนังสือแล้วก็ฟังซีดีอ่ะค่ะพ่อก็ลองดูจิตตามที่หลวงพ่อแนะนํามาค่ะก็จะรู้สึกว่าบางทีเนี่ยก็จะหลงเผลอแล้วก็บางทีก็ประคองแล้วก็เพ่งอื <c oughs> จะอยู่อย่างนี้ตลอดเลยค่แะแล้วก็ฟุ้งซ่านอืมดีดูไปเรื่อยๆนะไม่ได้ดูเพื่อเอาดีนะไม่ได้ดูเพื่อจะเอาอะไรหรอกดูเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างมันชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลรู้แต่ชั่วคราวดูไปแค่เนี้ค่ะถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวเนี่ยใจมันจะไม่หลงยินดียินร้ายอย่างความสุขมาเนี่ยเราไม่หลงยินดีหรอกเรารู้ว่าชั่วคราวพอความทุกข์มาเราก็ไม่หลงยินร้ายเราก็รู้ว่าชั่วคราว พอจิตไม่ยินดีจิตไม่ยินร้ายจิตจะไม่ดิ้นรนเมื่อจิตไม่ดิ้นรนจิตจะเข้าถึงความสงบสุขอยู่ภายในแล้วก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาผ่านไปเรื่อยๆไปใจไม่เข้าไปข้องแวะด้วยถึงวันหนึ่งใจก็ยอมรับความจริงเลยสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดายอมเลยว่าทุกสิ่งเป็นอย่างนี้นะก็จะได้พระโสดาบันเนี่ยใจแอบไปคิดแล้วก็อยากพูดใ ช, ใชนะ่ให้รู้ทันว่าอยากพูด แอบคิดอีกแล้วแล้วก็อยากอีกแล้วรู้สึกไหมเอาพูดไปเดี๋ยวกลุ้มใจก็คือเวลารู้สึกตัวเนี่ยจะรู้คือเหมือนแวบหนึ่งเหมือนมันไม่ชัดอะค่ะเราพยายามจะดึงตัวเองอพื่อที่จะให้เห็นชัดตัวนั้นแหละผิดนะรู้แล้วจบลงที่รู้รู้แล้วชัดหรือไม่ชัดก็ช่างมันแค่รู้ถ้าอยากให้ชัดเนี่ยจะเกิดการทํางานทางใจเช่นพยายามไปจ้องจ้องไปหาหาทีแรกหาก่อนสแกนหะ เรเจออะไรปุ๊บเราจ้องเลยเพ่งนะทำผิดอีกเพราะฉะนั้นรู้ไม่ชัดรู้ว่ารู้ไม่ชัดอยากรู้ให้ชัดรู้ว่าอยากรู้ให้ชัดนะแค่นี้เองง่ายง่ายสุดๆเลยไม่ต้องทําอะไรรู้ลูกเดียวนะอชมพูอนั่นกันครั บ, รบนามัส ก, การหลวงพ่อครับรู้สึกว่าตอนนี้เป็นใจขุนๆนะครับใจเป็นมัวๆแล้วก็มี โลภะแซรกนิดหน่อยเมื่อกี้อยากจะได้ใหม่ครับดีนะดีรู้สึกแต่ตอนหลวงพ่อพูดเมื่อกี้นี้รู้สึกขำใจคล า, ายขึ้นมานิดหนึ่งแต่ตอนนี้กลับมาขุนอีกแล้วครับเราเราข่มตัวเองไว้เราบังคับตัวเองเรากลัวไม่ดีไม่ดีก็ได้นะห้ามชั่วเท่านั้นห้ามชั่วคือห้ามทำผิดศีล แต่ใจเนี่ยไม่ดีก็ได้ใจเดี๋ยวสบายเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงไม่ห้ามมันนะคอยตามดูมันไปเรื่อยๆอกุศลทั้งหลายเป็นครูสอนธรรมะเราอย่าไปเกลียดมันมันสอนตรลักษณ์ให้เราทราบเท่าๆกับกุศลนั่นแหละเราะนั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวเลยเนี่ยใจหนีไปละทราบไหมทราบครับเนี่ยทราบไปอย่างนี้เรื่อยๆนะเราจะเห็นเลยใจนี้ทํางานได้เองดูออกไหมมันทํางานได้เองครับ มันไหลไปแวบแวบแวบมันไปเองเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมมันเบลอๆไปเรื่นเรื่นไปมันเป็นเองแต่จะให้รู้สึกชัด ต, ตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้นะจิตมีธรรมชาติขึ้นมารู้อารมณ์แล้วก็ดับลงไปตกรวังดับลงไปแวบหายไปหมดแล้วก็ขึ้นมาใหม่ขึ้นมารู้ชัดอยูแวบหนึ่งก็เรื่นเรื่นแล้วก็ดับลงไปเนี่ยเมื่อกี้เรื่นเรื่นแล้วก็ดับลงไปรู้สึกไหมครับเป็นเบลอๆครับตอนนี้อ่ามันจะเบลอๆแล้วไปฟังหลวงพ่ออ่า มันห้ามไม่ได้่มันห้ามไม่ได้นี่เป็นเรื่องของวิถีจิตปกติใครๆก็เป็นหน้าที่เราก็คือตามดูเขาไปเรื่อยๆแล้วเห็นเลยเราบังคับเขาไม่ได้หรอกเนี่ยเขาจะเลื่อนๆหรือเขาจะสายๆนะสั่งเขาไม่ได้ดูไปอย่างนี้นะไปเรื่อยๆครับชมพูวันนี้หลุดไปข้างหลังก่อนในชะข้างหน้าแถวนี้ยังมีความสุขมากเกินไปละ ตอนหลวงพ่อเรียกครั้งแรกใจไหลอยู่ที่ผ้าเจ้าค่ะอตอนนี้มีดิ้นรนอยู่ข้างในนิดหน่อยครูไปภาวนามาห้าวันเจ้าค่ะแล้วครูเห็นว่าทุกอย่างมันมันงวดลงที่จิตทุกอย่างเลยเจ้าค่ะแล้วมันก็เห็นว่าทุกอย่างมันมีแรงเสียดแทงเสียดแทงเสียดแทงอย่างนี้ที่จิตตลอดเวลาเออดีแล้วนะเราเห็นทุกนั่นเองทุกคือความเสียดแทงความทนอยู่ไม่ได้ สิ่งทั้งหลายไหลออกไปจากจิตนะคือเมื่อก่อนพูไม่เคยเห็นผู้เห็นแค่ว่ามันบังคับไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงแต่มันไม่ไม่เคยเห็นแบบนี้ค่ะแล้วก็เห็นว่าแม้กระทั่งการทําสมาธิเนี่ยมันยังบังคับไม่ได้เลยค่ะเวลาที่เขาเขาลงไปทําเนี่ยก็คือจิตทํำของเขาเองที่ผ่านมานี่คือทรมานดัดแปลงแล้วพยายามที่จะให้ให้เป็นสมาธิแต่ทําไม่ได้ค่ะ ดูเล่นๆไปฝึกได้ตรงนี้ก็ดูเรื่อยๆไปจะเห็นแต่ทุกข์นะแล้วก็เวลามีผัสสะทีหนึ่งรู้สึกไหมเหมือนมีอะไรทิมแทงใจเราจร<ช>ิงตามองเห็นก็มีการทิมแทงแค่กระพริบตาก็มีการทิมแทงเกิดขึ้นอะไรๆมีผัสสะนิดหนึ่งนะใจจะถูกทิมแทงจนึง เมืนเมื่อก่อนผู้ใช้จังหวะของการเดินกับมลมหายใจเป็นวิหารธรรมแต่ตอนนีมน้มันเหมือนไอ้อไอความเสียดเสียดตรงเนี้ค่ะมันกลายเป็นวิหารธรรมแล้วใช่ตัวนี้เป็นวิหารธรรมได้ระวังอันเดียอย่าถลําลงไปจ้องนะเพราะเราเรียนแล้วว่าจิตที่เป็นสัมมาสมาธิเป็นยังไงเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเดี๋ยอย่าให้ถลําไปจ้องแล้วทำอย่างนี้เดินไปได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าถลําลงไปจอ้องเยียบเข้าไปติดไอพบที่ไหวๆภายในเนี้ ไปภาวนาที่ไหนพูไปอยู่ที่ชะอําเจ้าค่ะแล้วก็ไปไปกราบท่านด้วยดีแล้วดีแล้วพระอย่างท่านหายากนะหายากหลวงพ่อนะรักท่านมากเ่อเป็นน้องกริรีนะแบบคอยลบๆลบหลีกๆีพี่อยู่เรื่อยเลกลัวพี่ดุพี่คนที่ดุที่เป่งเลย <c oughs> ท่านฝากมาเรียนหลวงพ่อเจ้าข่าวว่า ที่หลวงพ่อทำถูกต้องแล้วแล้วก็ อ, อนุโมทนากับหลวงพ่อในการเผยแพร่ให้ญาติโย ม, มท่านจะคอยเป็นกำลังใจให้เจ้าค่ะท่านไม่ช่วยเลยเหรอท่านจะให้แต่กำลังใจ <c oughs> หลวงพ่อมาบวชเนี่ยเพราะท่านชวนท่านชวนชวนมาหลายรอบนะหลวงพ่อก็ไม่ค่อยสนใจหรอกจะบวชเรารู้สึกเราเป็นค า, ารวะเราก็ภาวนาได้เสร็จแล้ววันหลังเนี่ยท่านว่าเอาเลย ทีแรกท่านชวนนะบอกมาหน้ามาบวชหน้าจะได้มาช่วยกันเผยแพร่เราก็ปิง๊งขึ้นมาหลวงพี่สอนพระมาหลายปีแล้วมีพระเข้าใจบ้างยังก็พอมีบ้างอ่ก็ให้ท่านช่วยแบบผมไม่ต้องท่านอึ้งเลยนะเจอไม้นี้ก็อึ้งไปพักหนึ่งล้วก็นึกว่าท่านไม่มาเซาซีเราละท่านก็บอกว่าคนเราเนี่แปลกนะคนบางคน ของดีอยู่ต่อหน้าต่อตาเห็นก็เห็นเอาก็เอาได้แล้วไม่เอาเขาเรียกว่าคนประมาทถูกท่านว่าประมาทนะเราท่านว่าแล้วท่านก็ไม่พูดอะไรแล้วเราก็ไม่พูดนะรีบลาเลยกอ <c oughs> ออกมานี่แม่ฉีน่นี่นี่บอกเลยบอกท่านว่าถึงขนาดนี้แล้วบวชเถอะบวชเธอพี่อย่างนี้ได้เข้าไปบอกท่านนาบวชก็บวชนะแต่เราทั้งหมดเรามีภาระเราต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่ เจอทีไรท่านก็ถามง่ายบวชยังจะบวชที่ยังแปลอีกทีก็คือพ่อเธอตายยังในสุดเลยพอแม่ตายนะเลยชวนพ่อมาอยู่วัดพ่อยอมเลยได้บวชนะกว่าจะได้บวชอายุทั้ง4นะี่สิบปดเนี่ยพอบวชแล้วเนี่ยโยมก็เริ่มมาที่วัดไม่ได้เชิญเลยนะป้ายก็ไม่มีนะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้บอกมันรุ้สืบเก่งค่อยๆมามาม า, มา งานเราก็มากขึ้นเรื่อยๆท่านก็คอยเร่งมาเรื่อยเลยงายเสร็จรยังเสร็จรยังเร่งอยู่เรื่อยโอ้โหเหมือนภาวนาด้วยความลำบากงานข้างหน้าก็เยอะญาติโยมเยอะแยะข้างหลังเหมือนมีมีดจี้หลังอยู่อันหนึ่งไปไปเร็วๆ <laughs> โอ้ลำบากพอเราภาวนาพอเราสบายลับกะว่าเราจะสบายของเรานะท่านบอกให้ยายวาอจิละ ให้มาทำงานมากๆเราไม่ได้หาความสุขของเราเลยตรงนี้ท่านก็ให้สร้างขึ้นมาท่านเป็นคนที่เริ่มนะรีเริ่มบอกพื้นที่มาให้ให้เริ่มสร้างคนก็มาช่วยกันสร้างเยอะแย ะ, ยะจิรัสก็ช่วยเยอะคนช่วยเยอะแยะเลยถึงได้เกิดตรงนี้เอาไว้ทำงานวันที่พวกกรรมการ เขาถวายที่นี่ให้หลวงพอ่อเขาสร้างเสร็จแล้วก็ถวายหลวงพ่อก็บอกว่าไม่ได้ถวายให้หลวงพ่อนะไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับหลวงพ่อหรอกที่นี่มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นประโยชน์ของหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ทําของหลวงพออ่อเองตรงนี้มันเป็นประโยชน์ของคนอื่นเป็นประโยชน์กับศาสนาเป็นประโยชน์กับส่วนรวมช่วยกันสร้างช่วยกันทําก็ดีแต่หลวงพ่อเป็นคนดุนะ อะไรไม่ถูกต้องเกกาเกเรนะไม่เคยไว้หน้าเลยอะไรที่ไม่ถูกต้องจัดการหมดแหละจนขึ้นชื่อลือชาเลยว่าวัดหลวงพ่อเรียบร้อยมีพระบางองค์ท่านถามนะทำไมวัดหลวงพ่อปราโมดเรียบร้อยคนไหนไม่เรียบร้อยก็ออกไปต้องเรียบร้อยที่นี่ต้องดีต้องเรียบร้อ ย, ออ เ, ย, อยนะเพื่อเอาไว้ให้คนมาศึกษาธรรมะให้ภาวนาจริงๆต้องไม่มีอย่างอื่นเอาไว้เรียน เรียนด้วยความเสมอภาคนะยากดีมีจนเสมอกันหมดหลวงพ่อไม่เคยแบ่งคนนี้รวยต้องสอนพิเศษไม่มีไม่ใช่นิสัยเราโจทย์จนจะรวยได้เท่านั้นเราภาวนามาหลวงพ่อไม่ใช่คนร่ำรวยตอนภาวนานะเป็นข้าราชการคอรัปชันไม่เป็นแล้ไม่มีโอกาสจะคอรัปชันด้วยแต่ความจริงก็มีนะ ทำงานเรื่องจุดผ่านแดนเรื่องอะไรเนี่ยทาก็ได้แต่ว่าเราไม่ทําเวลาเราไปหาครูบาอาจารย์นะอย่างเข้าไปหาหลวงปู่ดูลหลวปู่เทพอะไรเงี้ยเราไปแบบปอนๆไปเพราะจริงๆเราปอนๆไปนี่ครูบาอาจารย์ทะนุถนอมมากเลยอย่างหลวงพ่อไปโดวเดไปนะเด็กหนุนม่นมๆหน่อยไปไม่รู้จักใครเข้าไปถึงเวลากินข้าว พอพระตักอาหารเสร็จนะเขาก็ยกอาหารไปไว้ที่ศาล า, าข้างๆกันพวกโยมที่เหลือเนี่ยนั่งสวดมนต์ทำวัดเช้าพระก็นั่งฉันข้าวไปโยมก็สวดไปพอสวดเสร็จแล้วก็จะลงไปดูที่กินข้าวเฮ้ยไม่มีละหายไปหมดเลยคือคนที่มาวัดเนี่ยบางคนรวยมีคนใช้มาด้วยขณะที่เจ้าหนายนั่งสวดมนต์นะข้างล่างตักเรียบเลย เราไม่มีข้าวจะกินไม่มีจะกินล้วก็ไม่มีก็ไม่มีนะไม่มีเราก็ไม่กินเราก็เดินกลับขึ้นมาบนศาลาจะมานั่งสมาธิหลวงปู่เห็นนะหลวงปู่กวักมือเรียกเลยเอาบาทให้บาทของท่านนะให้โอ้เราครูบาอาจารย์นะถนอมเราเป็นนักปฏิบัตินะครูบาอาจารย์จะถนอมมากเลยแต่คนใหญ่คนโตคนอะไรท่านก็รับรับไปตามรยานอย่างนั้น ครูบาอาจารย์แต่และองค์แต่ละองค์ท่านก็มีอย่างเนี้ยหลวงปู่เทศเนมะื่อพอเข้าถึงตัวท่านท่านจะสั่งให้พระไปจัดกุฏิพระให้เลยบางครั้งท่านก็ให้อยู่กุฏิท่านกุฏิเก่าท่านอยู่ติดกับกุฏิใหม่ถ้าไปอยู่แล้วเกร็งเห็นท่านทั้งคืนท่านไม่นอนนะท่านเดินแล้วเราก็เรง่วงเกลี้ยงแล้วนอนก็ไม่กล้านะกลัวทีเห็นท่านเดินจงกลมตะคุ่มตะคุ่มอยู่ตีหนึ่งตี2องตีสาอะไรย่างเงี้ย เดินจงกรมนี่เขาเดินกันท่าไหนนะหลวงปู่เดินท่าไหนนะมันตะคุ้มตค่คุมไม่เห็นชัดนะคิดเสร็จปุ๊บเดินให้ดูอย่างนี้เลยอ๋อเดินยังไงก็ได้ให้รู้สึกตัวเนี่ย <c oughs> หรืออย่างครูบาอาจารย์บางวงอย่างหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อไปหาท่านวัดป่าสารวัตรวันนั้นมีงานวันบูรพาจารย์หนึ่งธันวาตนนติดกรรมฐานนันนึ่งไปนั่งถามท่านที่กุฏิท่านท่านพยายามสอนอยู่เป็นชั่วโมง พระก็มาตามบอกว่าโยมเต็มศาลาแล้วนะทั้งพระทั้งโยมเต็มศาลาแล้วรอหลวงพ่อไปนําสวดมนต์ท่านบอกให้เขาสวดไปก่อนเรื่องกรรมฐานสําคัญกว่าท่านก็พยายามสอนเรานะเขาสวดเสร็จแล้วก็ามาตามได้เวลาเทศแล้วให้คนอื่นเทศไปก่อนเราสุดท้ายเราไม่ไหวท่านท่านก็ชักเหนื่อยกับเราแล้วก็แก้ไม่ตกนะแก้ไม่ตกคือใจเนี่ยมันไปเห็นคล้ายๆที่ชมพูเห็นนะ เห็นยิๆๆๆ้มแย้ยิ้แย่เห็นอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนนะเห็นเป็นเดือนเลยเห็นจนทุกทรมานมากแล้วไม่มีเว้นวักเว้นตอนทั้งหลับทั้งตื่นเห็นอยู่เหนะทรมานรู้สึกไหมทรมานสุดๆเลยท่านสอนยังไงๆนะมันก็ไม่ผ่านตัวเนี้ยก็เลยลาท่านบอกท่านมีงานเหนยอเราไปละท่านถึงได้ไปเทศเนี่ยใจครูบาอาจารย์นะการนัดปฏิบัตินะถึงจะย่างดีมีจนยังไงนะทะนุถนอมนั้นหลวงพ่อไม่คุ้นเคยกับ คนใหญ่คนโตคนร่ำรวยอะไรมาจากไหนนะในสายตาหลวงพ่อเท่าๆกันขอให้ภาวนาเถอะเป็นมนุษย์เท่าๆกันนั่นแหละจริงๆแล้วการภาวนาไม่ยากมันยากตอนที่เรายังล้มลุกลุกลานอยู่นี่แหละอาศัยความอดทนนะพักเพียรค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปไม่ยากหรอกค่อยๆรู้ไปมันจะลองผิดไปเรื่อยๆไม่ใช่ลองถูกนะใจเราอดลองไม่ได้ทำอย่างนี้น่าจะดีนะรู้สึกไหม ภาวนาไปช่วงหนึ่งเอ๊ะหรือว่าเอาจิตไว้ตรงนี้จะดีกับโน้นมันจะลึกๆนะนจะคอยคิดว่าทำยังไงจะดีทำยังไงจะดีลองทีไรก็ผิดทุกทีเขาเรียกว่าลองผิดนะไม่มีลองถูกมันไปถูกตอนหยุดนะ่ะหยุดการปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไ ม, ม่เหลืออะไรสักอย่างงั้นให้เรารู้เท่าทันความปรุงแต่งของจิตไปเรื่อยๆรู้อย่างที่เขาเป็น นะอย่าไปแทะแสงเขารู้ลูกเดียวไม่ต้องกลัวโง่ไม่ต้องกลัวว่าจะรู้ไปถึงเมื่อไรไม่ต้องกลัวว่าจะไม่บรรลุมรรคผลนิพพานยิ่งกลัวมากยิ่งดิ้นรนมากยิ่งไม่บรรลุหรอกจะได้รับแต่ความทุกข์รู้ลูกเดียวนะรู้ไปท่านเก่งนะเก่งแล้วก็เป็นแบบอย่างของคนซึ่งเข้มแข็งสมก็เป็นนักรบเข้มแข็งมาก ก็เรียนอยู่กับหลวงปู่นานนะเรียนกับหลวงปู่เป็นคารวะอยู่7ปีหลวงปู่ไม่ให้บวชสอนตอนเป็นคารวะอยู่ทั้ง7ปีไปบวชแล้วก็ยังอยู่กับหลวงปู่ได้อีกสองปีบวชอยู่วัดป่าสารวัตนะแต่เข้ามาหาหลวงปูงปนะ่เรื่อยๆหลวงปู่นะหลวงหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่แค่ปีกว่าๆตอนเป็นคารวะมาเรียนสองครั้งครั้งที่สาทั้งไล่แล้วไม่ต้องมาแล้ว <laughs> ไปช่วยตัวเอง ท่านมีปณิธานที่จะสอนพระเวลานี้อ่อนลงมากนะในวงกรรมฐานของพระอ่อนลงมากไปทางอีสานนะี่คนทางโน้นที่ดูแลวัดป่าอยู่อะไรคุ้นเคยนะี่นเลยว่ามันจะขาดช่วงอยู่แล้วเฉะนั้นท่านทุ่มเทที่สอนพระท่านพยายามโบยโยมมาให้หลวงพ่อนะี <c oughs> อเรียกว่าโบยก็ไม่ไม่เพราะใช่ไหมเรียกว่าแบ่งโยมมาให้เพียงแต่แบ่งมาเกือบหมดนะ นี่หลวงพ่อพยายามแบ่งพระไปพระท่านไม่ยอมไปท่านภาคเพียรภักเพียรสูงออกเดินจงกลมนะคนเมืองแท้ๆเลยออกเดินจงกลมแล้วออกทุดดงไปเข้าป่าเข้าเขาหลงเข้าไป พ, ม, พม่าพม่านะเกือบเป็นเกือบตายเอาชีวิตรอดกลับมาได้ถึงได้มาเป็นครูบาอาจารย์พวกเราหายาก ภาวนาเอาอย่างท่านก็ต้องจริงจังอาศัยศรัทธากับวิริยะให้หนักไว้ไแล้วภาคเพียนไปของหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้เดินด้วยศรัทธากับวิรยิยะตั้งแต่สมัยอยู่กับหลวงปูมะนะ่มาแล้วเดินด้วยสติสมาธิปัญญาไปอีกแบบคนละแบบกันงั้นคนละสไตล์ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันแล้วอย่าไปเกณฑ์ให้เหมือนกันเพราะไม่มีเหมือนแต่เราไม่มีเหมือนกัน เคยเอาอย่างท่านนะตอนบวชใหม่ๆไปเดินอย่างท่านล้มเหลวเลยล้มเหลวเดินอยูเ่เดินครึ่งเดินครึ่งล้มเหลวลากเก้าอี้มานั่งยไม่เดินมันละทางใครทางมันสิวะ mm hmm. <laughs> นั่งดูเอาเราถนัดนั่งเราก็นั่งพ mm hmm. าคเพียร น, นะอดทนอดทนต่อการสั่งสอนอดทนต่อการเล่าเรียนฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วสังเกตใจตัวเองไปเรื่อยๆ แล้วง่ายที่สุดเลยถ้าเมื่อไรรู้สึกยากเมื่อนั้นทำผิดหยุดก่อนถ้าเมื่อไรรู้สึกยากรู้สึกสับสนหยุดก่อนแล้วก็ตั้งหลักใหม่กลับมารู้กายกลับมารู้ใจถ้ารู้กายรู้ใจไม่ได้ทำความสงบนะหลักการปฏิบัติมีเท่านี้แหละอา<อ>เฉิญไปทานข้าวนิมนต์ครับ